กระถาวัตถุนั้นมีฐานะสําคัญในพระพิศาสนาอย่างไรเฉพาะท่านที่ติดตามแม้จะติดตามรายการอันนี้มาตั้งแต่ต้นแต่เนื่อ ง, งจากวันเวลาไม่ห่างเหินเป็นเวลาหลายเดือนก็เกรงว่าอาจจะลืมข้าาขอความเกล่าๆไปสักบางเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะทวรกระแสความจําจไว้สักเล็กน้อยนะครับเือว่าในอภิธรรมเจ็ดคำพีนั้นในฝ่ายภาษาบาลีสรถาวัตถุนี่เป็นคำพีหนึ่งในจำนวนเจ็ดคำพี รัฐาวัตุนี้ไม่ใช่เป็นพุพทธพสดแต่เป็นวาระของสมะโมคคีบุตรติเตชะเาจาแต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากประชุมสงฆ์ธรรมตัิยะสังขายนาเสร็จแล้วเวลานั้นสังฆมนตลได้แตกแยกออกเป็นคณะนิกายต่างๆจํานวนมากเมื่อประมวลลงโดยคณะนิกายใหญ่ๆก็มีด้วยกันติดแต่นิกายเดียกันต่างนิกายต่างมีทิฏฐิคือความเห็นมีอ า, อาจาระคือความประพฤติ ขัดแย้งกันซึ่งเกี่ยวกับการปีความในทางพระธรรมการปีความพระวินัยว่าอย่างนี้ถูกอย่างนั้นสิเพราะฉะนั้นเนื่องจากการปีความของบรรดาเศรษฐีอาจารย์อันเป็นต้นกำเนิดของนิกายเหล่านั้นขัดแย้งกันจึงไม่สามารถที่จะร่วมทำสังก ร, รมเป็นฝ่ายหนยึ่งฝ่ายเดียวกันได้จึงต้องแยกยาก้ายออกเป็นคณะนิกายต่างๆรวมทั้งหมดมี18บแนิกายพระโมคคิริบุตรปิติเถรเจ้าท่านเป็นคณะาจารย์ลูกสําคัญของนิกายเถรวาที ซึ่งคือกันว่าเป็นนิกายที่เคาเรพมติของที่ประชุมพระอรหันต์เมื่อทปมปฐมมัชยนาขั้งที่หนึ่งมติในปฐมมัชยนาขั้นที่หนึ่งนั้นพระมหากัปตระเภเจเจ้าซึ่งเป็นประธานสนได้เสนอยัติสําคัญข้อหนึ่งว่าธรรมวินัยอันใดที่ก็คือมีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วสงญญจะไม่พึงทําลายถ่ายถอนข้อบัญญัติอ น, นั้นส่วนธรรมวินัยข้อใดซึ่งก็คือมีพระภาคยังมีดาบัญญัติ สงก็จะไม่เป็นผู้เพิ่มเติมสูรไปบรรยัตขึ้นอันนี้เป็นญาติที่ที่สำคัญที่สุดซึ่งคณะสงฆ์ป่ า, สสายสมาหามตัดจบใน่้ำสัตบัญญตูหาได้ตกลงกันเป็นเอกฉันทมติเพราะฉะนั้นมัติของสอง่ายนี้จึงเรียกว่าเทราวาทีคือวาทะของบรรดาพระเทเรเจา้า500รูกซึ่งเลื่อนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์บริบูรณ์ด้วยปฏิสัมพิทาญา4ชละชิงญาโภและมีโมก8เป็นสําคัญ ตอนนี้ขณ้าสงฆ์อีกมีกายอื่นๆที่แตกต่างไปจากคณ้าสงฆ์ท่านมหาตัตถะก็มีอยู่เพราะว่าเมื่อครั้งทำประมมสังคายนาน aw, ั้นไม่ได้เป็นการประชุมสงฆ์ทุกหมู่ที่กล่าที่มีในอินเดียครั้งนั้นเลยเป็นการประชุมสงฆ์เฉพาะกลุ่มคือกลุ่มท่านมหาตัตะหรือกลุ่มที่ท่านมหาตัตะเลือกคัดได้แล้วก็ท่านก็ต้องท่านตราคุณในงบัตรของพระอรหันต์ที่เข้าไปชุมด้วยเพราถ้าเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญายุทธ์แล้วห้ามเข้าโดชถา ให้เข้าเฉพาะปารหันประเทศที่เป็นเจตัววิมุตติอารหันตะวีคนั้นได้แต่ปาราหันที่ประกอบด้วยสัมพิธาญาณ4ีวิโมกษะทะบิณญาณอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของปารหันประเทศเจตัวิมุตติเพราะฉะนั้นยังมีปารหันี้่นๆแต่ปารหันอีกจำนวนมากกว่ามากที่ไม่ได้รับรู้หรือรับรองการประชุมของคณะปารหันธรามสัตบัญญคูหาเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นคณะปารหันอย่าอื่นซึ่งเราในที่นี้จะเรียกว่า คณะเส้นนรกถ้ำาคณะเส้นไหน ร, ร้ำพวกคณะเส้นนอกถ้น่ะมีมากมีมากตั้งแต่ผู้ออกคณะเส้นฝ่ายอวันตีอ่าคณะเส้นฝสายตาตรีบุตรแล้วก็คณะเส้นฝ่ายวัดชีมีมากมายเหลือเกินคณะเส้นเหลา่านี้ต่างก็มีติจิอาจารย์มีครูมีอุปชาอาจารย์ซึ่งถือว่าอุปชาอาจารย์ของท่านแต่ละรูปแต่รูปนั้นบางต่เป็นอาหารก็มีบางก็เป็นขีดีได้ระดับกับฟังพ ร, ระุทพจจากพุทตโอษ์ของพระองค์เองก็มี เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้นี่มีปฏิบิหาริกอันเตวาติดจำเน อ, อ่มากปฏิบิหาริกอันเตวาติดเหล่านี้แหละครับได้รวมกันต่อตั้งเป็นคณะอิสานกายขึ้นโดยทิฏฐิในคือการแต่วิลาในคั้งแรกไม่ได้แต่โดการเจตนาของพระอยากจะแต่แลแตลอดไงพระเนื่งแกาแกเล้อมเวลานั้นการคมนานองไม่สะดวกสมายโบราณต่างคนต่างดีคนลนคนลเลยงห่างกันมากเพราะฉะนั้นความคิด้วยความเห็นของพระในเมืองนั้นมันนานไปก็อาจจะผิดเพี้ยนไปจากพระอีกเมืองึง เมื่อมันนานเข้าปฏิวิหาริกอันเตวสิ่ที่ห่างเหินจากกลางเป็นอาหารมีมากเข้าเรื่องการขัดย้นก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนิกายของคันหมาจะตบเป็นประมุขเป็น <Double> ชื <studio> ่อว่านิกายเทระวีมาถึงสมมัยทำปฏิยาสังขายนาเขาจะอาศัวเองก็ยังรารถถึงสูงต่อกันถึงกับจารึกในสิดาจารึกไวสิดาจารึกที่มีไวแห่งที่โกงอ่อนวอนไม่ฆ่าทะเละกัน แล้วก็อ่อนวายอยากให้คริหั like, <man> <awl> <trans> <discussions> <ogram> ์ไปเป็นเครื่องมือสนับสนรนเพื่ฆ่ากัทะละกันแล้วก็ขอร้องเลยเนี่ยบอกว่าพาหายัฐพิเศษที่มีรูปใดรักใดมวแตจพุ่งเถียงดี่วาดขัดแย้งกันทำให้แต่เรากันในหมู่สูงชิงดีชิงเด็นกันแล้วถ้าจะเอาเศษกระขนมุนให้ปริวัตรน่ขาวจะดีกว่าทุกอ่าขอร้องให้ตเชียกอย่าให้อยู่ะภาษาศนาไปเลยท่านมีจาริกก็ได้ทาอยู่ในอินเดียระมูลเราก็หางเรื่อแข่งด้วยกันจาริติภาษาขาเรธีก็มี จาริตียอักตอมผามื่อกีก็มีตามหน้าผาบ้างตามสิลาจาริกบ้างอ่าก็เป็นอย่างเช่นว่าที่สันติก็มีสิลาจาริขอรอแม่พระทะเลาะกันแล้วก็อ่าแถวงตะวันออกคือว่าที่ที่กุสินาราลุมพินีวันก็มีสิลาจาริขอร้องแม่พระะา ะ, ะกันอย่างนี้นี่ก็แปลว่าในครั้งนั้นน่ะบรรดาเจ e าจิอาจานต่างริกายจึงมีที่สึตกหน้าด้วยกัน ตางคนก็ต่างแสดงทัศนะของตัวขัดแย้งกันในทางธรรมะก็ตามในทางวินัยก็ตามมีข้อความเห็นที่แตกต่างกันเป็นธรรมเนียธรรมดาถ้าตัวปีดกที่เป็นตาพจของพระพุทธองค์ต่างนิกายต่างขงั้นของตัวเป็นไม่เห็นกันอย่างว่ า, าวินัยปิดกส่วนส่วนมากข้อความในวิวนัยปิดกนั้นคล้ายคลึงกันพจนิกายส่วนใหญ่เพราะว่าวินัยปิดกนั้นเป็นรากฐานหรือเป็นเส้นชีวิตของพระสงฆ์ ตานที่จะขับยังไงในวินัยก็โดยมากเกี่ยวกันเกี่ยวกับการตีความในบทวินัยเกี่ยวกับการตีความนะฮะลกตัวอย่างเช่นหละมีพระอาจารย์องค์หนึ่งชื่ว่าพระปุรานะท่านก็ถือว่าท่านแม่เหมือนกันเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่เด็กใกล้ใกล้ชิดพห้ลูกคุยด่าก็บสมมาตมุจจามาเองแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ระดับกับฟางพุทธพจน์เป็นอันมากจับก็ผู้มีพระภาคเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุจจเจ้าลุกพานแล้วไม่นาน เมื่อท่านมาทั้งขายนาทาเสร็จลงไปใหม่ๆท่านปุรานะท่านก็พาบริวารที่ท่านจำนวนตัง้งห้ารลูกจะริกมาจากตำบลพักกินาคีรีชนบทอันเป็นมูลชนบทภาคใต้ัองมูงาราชเกื้อเดินทางมาที่เวรุวรณารามเวลานั้นพระมหาตริจ์หลังจากทาทั้งขายนาเสร็จแล้วท่านก็มาพักสําราญอิริยาบทที่เวรุวรณารามเห็นท่านปุราณนะพาบริวารมาท่านก็ไปหาบอกาาอาวุเสปุราณนะ บัดนี้สมได้ทำทั้งไหยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอท่านเอาคู่มืออายุจงอภิโมทนารู้ด้วยเถอะพระโบราณหน้าก็ตอบบอกว่าออเอาเอาคุสมดีแล้วเมื่อถึงได้ทาทั้งไหยาเสร็จทท ก, ก็เป็นการดีแล้วแต่สาหรับพวกข้าพเจ้าแหล่ได้สำรับฝังพิพิธพจน์มาอย่างไรพวกข้าพเจ้าจะจําสนได้อย่างนั้นเถี่ยวหมายความว่าพวกท่านทำว่าเชิญท่านทำไปแต่พวกผมก็เห็ว่าได้ตั้งจัตุจิตเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกผมจะปฏิบัติตามมติของพวกผมละพูดง่ายๆแต่ว่าอย่างนี้ ข้อความที่สันตุลานะขัดแย้งกับพระมหากษริย์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับสิขาบทเล็กๆน้อยๆการเที่ยวการขบการฉันเช่นสิขาบทอันโตุตตะอันเตปตะปาลปตะปโตนิยตะภูเรหตะปครตะซึ่งข้อยามในศิขาบทหลายนี้น่ยอย่างแรงก็กลับกายเป็ตีเป็นบางข้ออย่างเบาก็คุกกฎยกตัวอย่างเช่นว่าพระหงนต้มฉันเองใน่ติดเกิดอาหารได้ฉันใน่ผู้ติที่ดยที่อาศัยเนี่ ถ้าเดินตาไม่พบกเปียกรกเกิดหิวขึ้นมาเห็นผลไม้ขึนเลยซึ่งตามม่วงตกแต่มะเฟืงมาฟางตกเปลี่ยนกะเตรียนตาไม่มีกเปียการกอันสมควรมาทำมิอในยามแล้วก็จับผลไม้เหล่านั้นฉันเองวางประพฤติอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวการขบฉันเล็กๆกน้อยนอยเป็นอนุธิขาบดเป็นอาบัตเล็กๆน้อยนและหัวตาบัตทักษะนราเห็นว่าพิขาบทเหล่านี้พระทาได้ไม่ใช่อาบัต ถ้าในที่อ้างเหตว่าเมื่อครั้งพุตธตาลคราวหนึ่งเมื่อพระพิมุนเจ้าภาพประทับติมเวสาลีมีเกิดข้ายากมาแองขึ้นเวลานั้นพระพิมุนได้อนุญาตให้เสริมเก็บอาหารได้ฉันในบดีได้หุ้มตออาหารั้นเองได้่เวลาใครหุ้มไม่ได้แล้วเวลานั้นตัวใครตัวมันจะไปที่หาเมาต่อไฟหุ้มถ่าไม่ได้นอว่าจะถ้ามันก็บนนได้ชั้นเองก็อดเลยพราะฉนั้นทำเป็นบบาเ์หรือง่มีอะไรเหลือมันนี่กินไม่หมดอนุญาตให้เก็บไว้เก็บก็กินแต่ทุกนี้ เพราะว่าติณทามเขายากมาแทงว่างั้นแต่พอเมื่อพ้นออกกันตาแล้วดวงวิสาขาเหลีก็กลับสมบูมณ์ที่มีศึกขึ้นมาใหม่เนี่ยท่านกูราณะอ่างบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตแล้วใน่ซื้ขาบทเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นอาบาัติถ้าพราจะไปถึงต้มจินจเองกับอาหารค้างคืนเมื่อในภูติจินจเองเมืนี้กับปิยกับปิยาการุประเคีนก็จับต้องอาหารกินเองได้ไม่เป็นไรไม่เป็นอาบัติแล้วว่างั้น แต่คนมหาการศึกบกเป็นอาบัตเพราะจร่ที่ท่นานพูาหล่านะบอกว่าไม่เป็นอาบัต์นั้นแหละจริงดยู่คราวนั้นเป็นคราวอันพิเศษเนื่องจากค่ายแพงพระองค์ก็อนุญาตแต่ขั้นออกปรรษาแล้วเมื่อข้าปลาอาหารสมบงรณ์แล้วพระพิตรเจ้าได้เรียบประชิเสงใหม่โดยจลัถามพระอนานนท์ว่าดูก่อนอนานนท์ที่ข้บดต่างๆเล่านั้นซึ่งกระถาคนอนุญาตในการค่าแพงน่ะบัดนี้สงยังประทุตอยู่หรือหนอแล พระอนุลก็คูณตอบบอกว่าแม้เวลานี้บรรดาสลวงเป็ออยังประทฤตอยู่พระองค์จริงๆพระอนุ์ให้ไปเรียบประชุสงในเมืองเวสาลีมาทั้งหมดแล้วก็บรรดัติขาบทใหม่ว่านับตั้งแต่การะบาดนี้เป็นต้นไปไห้ามไม่ให้พระหุงต้นฉันเองห้ามไม่ให้พระกิบอาหารข้างคืนฉันว่าในกูดีบึงบังทังตัวที่อยู่ที่อาศัยทำให้นี่กเปียาการุกแล้วจะหยิบตอกผลไม้กินเองไม่ได้แล้วก็มีข้อเล็กข้อน้อยออกมานับแต่นี้ไปข้าพิสุดได้ร่วงปรับปลายจิตปีก็มีปรับทุกกฎก็มี ปฏบัดบัญญัตอย่างนี้พระภุราน่าบอกว่าเสียใจครับท่านผุญเจริญมหาสปะข้อที่พระ อ, องค์อนุญาตแล้วก็บัรดัตใหม่ในะอตอบนบรญญัตใหม่นี้ผมไม่ได้ฟังก้าหูเองเลยไม่ได้ฟังก้าหูเองฟังแต่ตอนอนุญาตเพราะฉะนั้นเมื่อผมไม่ได้ฟังก้าหูเองผมก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามที่ท่านอ้างได้ว่าพระ อ, องค์จับบรรญัดใหม่เพราะเป็นทีสายของพระสุพยูพุทธเจ้าท่านยอมทาอะไรไม่กลับกลายบัรดัตแล้วเมื่อ ทรงอนุญาตแล้วก็ไม่กลับบัญญัติมาอย่างนี้รบบรรกกพระมาศตวรรษก็เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูน่ยสิพระองค์จริงเป็นผู้ที่รู้การรู้เทสะรู้บุคคลว่าอันใดที่เหมาะที่ขาบทสมัยใดจะควรบัญญตัตสมัยใดจะควรผ่อนผันนี่เพราะว่าความมีสัพพัญญูน่ยสิต่างองค์ก็ต่างเสียงกันไม่เป็นที่สกลงพระภูราณาจึงได้พาบริวารไปตั้งกองสั ง, งขยนาแข่งกับท่านม า, ากตกอีกพวกเรงต่างหามเนื่องจากข้อโต้แย้งในเรื่องการปฏิบัติวินัยนิยม แต่ต่างกันด้วยประกาศรชนีนี่เป็นเรื่องการโต้แยองในเรื่องตามต่อตีบัณวินยัยคือการตีความใ น, ในข้อบัญญับติคาบทนะ์เกิดขัดแย้งกันเข่าอันเป็นต้นเหตุแตกอี่การปะการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นความขัดแย้งกันใ น, ในเรื่องพัฒนะทางธรรมข้อความอันนี้นะมีปรากฏตั้งแต่ค ร, รั้งพุทธกาลแล้วคือในครั้งพุทธการนะมีภิกษุจํานวนมากที่เข้าใจพุทธคดผิ ด, ดตั้งแต่สมัยวิจัย ย, ยังทรงเชนอยู่ แปลว่าเมื่อพระองค์ยังทรงภาชนอยู่พระองค์ก็เป็นผู้ชี้ขาดว่าความเข้าใจอันนี้นะ่ะถูกหรือผิดแต่เมื่อพระองค์มีทานแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าความเข้าใจอันนีนะ้ถูกหรือผิดที่สุทั้งหลายก็ต้องยึดเอาครูบาอาจารย์อุปชาของตัวเ ป, เป็นสี่พื้นเป็นสนธนาถ้ามีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นก็ยอมถามถ่ยอุปชาอาจารย์อุปชาอาจารย์ก็เป็นผู้ตัดสินอุปชาโ ต, ตอุปชาเดีวยวกันน่ะก็มีความเห็นขัดแย้งกันได้เป็นธรรมดา จนว่าในข้างพระอาจารย์ภาษาวกทิเข้าใจธรรมะของพระองค์ผิดผิดพิสูจร so. uh, no ์เหาหนึ huh. uh, no. yeah. ่งแขวงมือสาวัตถ no. ีเข no. okay. well, ้าใจบารณีมันสติผิดนึกว่าการที่แหเจริญนึกถึงการตายนั้นน่ะเป็นการเรามาฆ่าตัวตายกันดีกว่าถ้าไม่เดือนนายเดือนนายชีวิตยิ่งมาพิจารณาอสุภะกรรมฐานมากๆแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากจะอยู่ในโลกเลยไม่กล้าฆ่าตัวตายเองตัวจะผิดก็จ้างทั้งการบดให้มาเชื่อมคอตัว มีช่างกำลดคนหนึ่งรับอาชีพเชือดคอพระจนวรับอาชีพรับตางเชือดคอพระที่เบือนนายเรือนร่างสังขารเพราะว่าดกจะเรีบรารณารุสติบ้างอาุพากรรมฐานบ้างกระทั่งเบือนนายอยากจะปลดปลงเต็มทีแล้วอยากเบือนเลิกเต็มทีว่างเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเท็จนิทางนั้นความรู้สุกจิตใจเป็นเทศจนิสหมดนี่ธรรมะพระพุทธเจ้ามเดเป็นเท็จนิสแต่ว่าเนื่องจากเข้าใจผิดไปตีกลามธรรมะในข้ออาุพากกรรมฐานกับบรารนารุสติว่าเป็นการทำให้เกิดเท็จนิสเกิดขึ้น จางเขาเชวดคอตัวตายเขาตั้งพระในเชปิปตะวันเบาบางขืดคู้ติดตาพระศาสดาจริงเด็ปลาล็เหตุนี้ถามขึ้นว่าเอ๊ะเมือ่อพรรษาที่แล้วยังเห็นพระคับขัางเลยนะแต่พรรษาเนี่ยเอ๊ะทำไมทับพรษาหมายนี่พระทำไมบานตาไปเธอไปไหนกันหมดเนี่ยพระอนนท์ก็กล่าวภูมิสาเหตุว่าเธอเหล่านั้นน่ะเข้าใจกรรมฐานการหมายกรรมฐานขิดเรินอสภกรรมฐานมากๆบรนุสสติมากๆเลยเดือนายเดืโดชีวิต ไม่กล้าฆ่าตัวเองไม่จ้างไม่ช่างช่างสัมไม่มามีโกนชื่อคอตายก็เป็นแถวแถวแล้วพระเจ้าค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติขิขาบทในเรื่องนี้ถ้าแม่พระกระทําอย่างนี้แล้วก็เรียกประชุมสงฆ์ปรับความเข้าใจว่าการหมายเรื่องอสุภะกรรมฐานกับประนังสตินั้นเป็นการเพือนสติให้ประมาทหลงไหลต่อเมาวัยเมาอายุเมาสัตว์สมบัติเมายศเมาโลกไม่ให้เกิดควาเมาในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความให้ตรดจตรง ถึงกำลกังหนีไม่ใช่เพราะว่าทั้งเรือนร่างร่างกายความทุกข์ต่างๆล้วนแต่เป็นทุกข์กต่าจะต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ทุกนะจะละทุกข์ไม่ได้ละต้องละสมุทยัยคือเหตุของทุกข์ไม่ใชละที่ตัทุกข์ตัวทุกข์กมันละไม่ได้ต้องละโดยเฉพาะเหตุของทุกข์คือสมุทยัยอันเป็นสายประหารตัณฑเพรนะาะฉะนั้นเมื่อทรงเขาได้อย่างนี้พระก็ เ, เข้าใจก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็มีการฆ่าตัวตายกันอีกต่อไปนี่ประการหนึ่ง อีกระการหนึ you know, ่งพ so ิสูผู้มีนามว่าตาติพิพิสุชื่อว่าตาติเป็นลูกชาวประมงเข้าใจความผิดในเรื่องว่าพระองค์ทรงแสดงถึงกฎของกํรเมื่อพระองค์ทรงราบขาก็เรียกพิสุตาติมาตำหมิบ่าว่าพิสุสาติเป็นโมฆบุรุษเข้าใจธรรมะพระองค์ผิดแม้เรื่องนี้พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนี้เลยต้องปรับความเข้าใจกันใหม่อย่างนี้ก็มีช่างไม้คือตันจตังคะ เทียนกับภาองค์อุทายีหรื่องเวทนาช่างคือว่าพระองอุทายีบอกว่าเวทนาน่ะพระพุทธองค์ตรงแสดงน่ะมีสช่างไม้ปันจักังข่าวมีสามนี่คือว่าเวทนาน่ะสามคือแต่โสมมนัดบังโมนับังโสมอุเบขาบถูกทุกบังอย่างนี้ต่างคนต่างเสียงกันความจริงอุเบขาเวทนา้าจะสงเคราะแล้วก็เป็นโสมนัตเวทนาอันปราณีเป็นโสมนัเวทนาที่ปาณีกันเอง มันบัญญัติเป็นอุเบกขานี่แต่เนื่องจากข้อความเข้าใจในหมวดทําอันนี้ผิดทังอุบาสกบรรจักังคะกับพิสุอุทายีก็ถกเสียงกันว่าความจริงนะพระองค์ บ, บัญญัติไว้สองอีกขัานหนึ่งบอกความจริงนะสามในที่สุดไม่ทันอันตกลงกันได้ก็เป็นไปพระสาจดาพระสาจดาก็ชี้ขาดบอกว่ายาว่าแต่สองหรือสามเลยเวทนาจําแนออกว่าเป็นได้อีกหลายมายะ เวทนาหก็มีเวทนาสิปก็มีึงกระทั่งเวทนาร้อยแปดประการก็มีเนี่ยแจกไปเหอะแจกไปได้แล้วแต่ว่าหมู่ธรรมอันนี้ไปอยู่ในสุขเคราะห์ในหมูดอะไรก็ย่อมแจกไปได้ตามส่วนในหมูดนั้นๆในครัร้งพุทธาลยังเป็นถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระสาาาัตดาดับขันลงการตีความธรรมะในหมู่พระสาวกก็ย่อมมีเป็นการขัดแย้งเป็นธรรมดาเรื่องที่ขัดแยง้งครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นตอนทำทุติยสังขัยนะ มีพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาเทศมาเทวะมหาเทศพระมหาเทศผู้นี้น่ะเป็นบุตรพ่อค้าขายเครื่องหอมในมึงมะคุราในแควอวันตีภาคตะวันตกของอินเดียท่านผู้นี้น่ะต่อมาได้ออกอุปสมบทในกุกุตารามือปาสตริบุตรรูปภปัยพิดกแตกฉานวันหนึ่งเป็นวันทีข่หข้าคำ่ำสงลงทำปาติโมกถึงวาราสีพระมหาเทศจะเป็นผู้สวดปาติโมไ่ไปข้ามกลางสงพระมหาเทศก่อนจะปาติโม่ก็เสนอพระสนะ ขึ้นมาข้อหนึ่งว่าอัติอรหโตราโคอัติอรหโตปะระวิตรยติยติอัติอรหโตกลงขานังตินี่อัติอรหัตโตอ่าวิจิตริชานังติยกตัวอย่างเึ่นบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยยังอาจจะมีราคะอยู่ได้พระอรหันต์ทียังยังมีราคะได้ถามว่าทำไมถึงมีราคะอยู่ข้อนี้มนคําำีิจาวัตถุในไขความึือเกี่ยวกับทัศนาพระอรหันต์ทัศนาพระอรหันต์ที่สุด ในคณะพระมหาเถรตามที่ข้อความในคำภีกระถาวัตถุ ก, กล่าวไว้ว่าเป็นชื่อของมิกายมหาสังขิกะคัมภีกระถาวัตถุใ้กล่าวถึงมิกายมหาสังขิกะว่ามีทัศนะเห็นคุณลักษณะพระอรหันต์แตกต่างไปจากที่ฝ่ขขายมิกายเถรว่าทคือกล่าวว่าพระอรหันยังมีความฝันได้พระอรหันยังมีความฝันได้เมื่อพระอรหันมีความฝันได้ พระอรหันต์ก็ยังอาจจะถูกมารยั่วยวนเทวดาดาม า, มายั่วยวนได้นี่เมื่อพระอรหันต์ยังถูกเทวดาดามายั่วยวนได้พระอรหันต์ยังอาจจะเกิดกำนังได้ในความฝันไม่ใช่ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จริงยังมีราคะนอ่นี่นี่จะมันยัดข้อข้อหนึ่ง ม, มีความฝันแล้วก็มีราคะด้วยอ่าข้อข้อสองมาพระอรหันต์ยังอาจจะมีกังขาได้ในมีความกังขาคือความสงสัย ต้องสงสัยอยู่มูลเหตุที่พระมหาเทศจะบัญญัติอย่างนี้นะ่ะอันนี้เราก็จะเชื่อตำานนักไม่ได้นะคือเป็นเรื่องของประวัติปังนิกายปังเขียนอาจจะเป็นการป้ายสีอาจารย์อีกนิกายหนึ่งก็ได้เป็นธรรมดาคือว่าประวัติมีประวัติพมหาเทศเล่มหนึ่งเขียนโดยภิกษุปังนิกายในคำทีคาถาวัตถุระบุชื่อนิกายนี้ว่านิกายสัพพสัพพะทธธิกวะทะเรียกในภาษาสันสกฤตว่าประวัติติวะทะ ในบาลีคือสัพพะทิกวัตอ่านิการน้ลาบอกว่าพระมห า, าเทพนะเมื่อยังเป็นคาริหัดอยู่เนี่ยข่าพ่อตายแล้วก็เป็นชู้กับแม่เลี้ยงเป็นกีเป็นปีตุคัดวันหนึ่งข้ารหาหันชาวเมืองมาศูราเป็นชาวเมืองเดินมาท่านไปมาพบกันเข้าที่เมืองตารตรีบุตรพระมห า, าเทพกูห่ารหันองค์นี้จะไปแกล้งคามทางบ้านเมืองจับตัวเข้ า, าเพราะตนวไปฆ่าพ่อข่าพ่อบังเกิดเจ้าตัวเองแล้วหลบหนี ลาะทันมาอยู่มึงตาติบทรข้าอารหัน ล, ลงไปอเป็นตุค่าแล้วอยาอารหันตะค่าอิฐอำนา ร, ริยกรรมหนักหนักแ น, นั้นแหละแล้วเลยหนีไปบวชบวชปิดความชั่วของตัวนี้ไปบวชเมื่อบวชแล้วอยากจะหาหุกสุขามาตัวไม่ได้มักฝนกอ็อ้างว่าตัวไ่ด้มักฝนอดอุตริธรําอ้างว่าตัวไม่ฆ่าอารหันแล้ว ขี um, uh ้พญากรลูก huh. ศ uh ิษย์บอกคนนั้นเป็นโสดาคนนี้เป็นสกิตาคาออกปรกาศนบัตให้เขาว่าเขาเป็นโซดาบันนี่เป็นสกิตาคานั่นเป็นอนาคานั่นเป็นอรหันแม้ผู้ศิษย์ก็ชอบพี่เอเราไปปฏิบัติกับท่านพักหนึงแล้วออกมาเป็นโซดาแล้วเราไปปฏิบัติอยู่ในสมณท่านพักหนึ่งออกมาเราเป็นสกิตาคาแล้วเออเราก็ปฏิบัติกับท่านพักหนึงออกมาเป็นอนาคาแล้วแหม่ราศกรละมาเพราะลูกศิษย์ล้วนแต่เป็นโซดาสกิตาคาอนาคาอรหันโอ้ยเต็มหมดเลยมากมายแม่ผู้ราสกละก็เมีลองกันมาทีเดียว ลูกศิดยหลานั้นวันหนึ่งก็ศึกษาธรรมะแล้วก็สงสายว่าเองธรรมดาอรหันนี่ยยอดหมดความสงสายจังขาในธรามเขาไม่เล่าเรื่องสงสยรือริยสัจละเออโต้ยินมเมื่อพระอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าผมนี่เป็นอริยบุคคลแล้วใช่ไหมพรมหาเพ่บอใช่แก่นี้แหละเป็นอริยบุคคลแล้วเอ๊ะทนั้นผมีทํามยัเกิดความสงสัยไนอริยสัขึ้นมาต่น่ตนี่ก็ไม่รู้พระมหอาจารย์มาพระมหาเพื่ก็หาทางออกอว่าอ ธรรมดาอระอาหารหันต์ยังอาจมีกังขาได้หนึ่งเนึ่งนี้มีเป็นธรรมดามีไดีได้ไันเป็นไรไปเถอะลูกก็พอใจอาจารย์เนาอรหันต์ยังมีกังขาได้ก็พอใจกับ ป, ปัติอีกันหนึ่งต่อมาบรรดาลูกศิษย์อ่านในพระสูตรม่พระสูตรท่นแต่วาา่าอนิจจุคตน้าดมรรคเป็ น, นลแล้วกรุกะตะกะรมีโยกิจที่จะต้องทำก็ทาจบแล้วพรมรรที่จะประพฤติก็อยู่จบแล้วชาไปสิ้นแล้วพบมาอีกหน่งนี้แล้ว รู้อยู่กับตัวเองเป็นประจกักษ์ปติที่ทำไมเราไม่รู้ว่าเราธรรมจันทร์บเราไม่รู้ไอชาดเราสิเราไม่รู้เลยทาไมต้องรอให้คนอื่นเขามาบอกเราถึงนนะว่ า, ามีมีพธรรมจาร์อาจารย์บอโอ้ยเล็กนั่นแหละธรรมดาเราจะรับบรรลุมรรคผลได้ต้องอาศัยอาจารย์พยากรณ น, นะาอาจารย์ไม่รับแรงเราก็ตัวเองไม่ ร, มรู้ตัวเองไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้ เพราะว่าดิพานในอารมณ์ดิพา น, นเป็นภานวะติหรือบัญญัตโลกเพราะนั้นเอาอารมณ์ทั้งโลกมาขาดคะแนนดิพานไม่ได้มีเงินพ้นมันหยัด ต, ต้องหาพระอาจารย์ที่เขาลูกก่อนพยายามก่อนใหวา่างนี้มาถ้าว่างนี้รูกสิษก็สบายใจลูกสิษนะเอาสบายใจไปด้วยอีกวันหนึ่งต่อมานอนหลับไปพระเอิญกุฏิปะกันห้องกุฏิพระมหาเถรกับูกสิษนะ่ะมันออกจากบางไปหน่อยพระมหาเถรนอน ไม่หลับคุณคิดถึงตาชวงตัวที่ตัวสร้างสรางมาเกิดตัวอาบายขึ้นมากูทานว่ากลุ่มจริงว้อกลุ่มจริงว้อยทกจริงว้อยตะโนี้ลูกติดนอยคนละข้างฝ า, าได้ยินเสียงเข่าเอ๊ะอารหันต์ไมล้อว่ากลุ่มจริงง้อยทุกจริง้อยยี่สีเดียวเหรอบ้าแล้วกันไม่ได้ทุงนี้อาจารย์ตืน่นขึ้นต้ถามอาจารย์มันไม่เรื่ออะไรกันเลยนะลชาบอกวาอาจารย์ครับเมื่อคืนผมได้ยินเสีงอาจารย์บนว่ากลุ่มจริง้อยทุกริงง้ยอรหันต์อยี้เลยนครับพระมหาเทพหน้าสุดทีเดตอนี้ แต่ว่าธรรมดาคนฉลาดจะหาทางออกได้มาเชิญก็บอกว่าอ๋อมักผลจะเกิดขึ้นผู้ที่จะทำจะต้องอุทธรณ์ว่าทุกหน่อทุกหนอมักผลี่จะเกิดคือเห็นทกตัวเองอ่ะเห็นทุกกระับแล้วเราจะอุทธรณ์ว่าทุกหนอทุกหนอเพราะฉะนั้นในคำทีกระถาว่าถูกจริงบอกว่าทุกขาหาโรทุกขาหาโรทุกขันตังทุกขับปริอิตารยานิทุกนี้เป็นเหตุที่ทำให้ได้ถึงปริอิตารยาน ากาวคือให้ได้นมักขยานผลลยานอย่างนั้นหรือตามที่เปล่งคำว่าทุกๆเนี่ยจะเป็นเครื่องมือถึงมักขยานผละยานอย่างนั้นหนี่นเป็นกระพูดในคำพีคาถาวัตถุท่ามหาเทพชุมนุมความเห็นท่านทั้งหมดแล้วก็เสนเอในที่ประชุมสงในที่ปรุมวันในวันนั้นไม่ต้องทำปฏิโมตปันประเทศแต่กันเลยเดี๋ยวนั้นทีเดียวบรรดาพิสูที่เป็นธรมรมาทีก็คัดทานบอกความเห็นนี้ถึงความเห็นของยามานคิดมาเสนอาเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นของมา เราเจ็้นิมทำธนกรรมกันไม่ได้ร้องถึงพระเจ้ากาลาโตก้องสเสด็จมาห้ามพระมหาเทพก็เสนอใหพระเจ้ากาลาโศกใช้วิธีปัดศินอธิกรเรียกว่าเยทุยยาิกาอธิกรณะอธิกรณะสมชะวิธีคือวิธีที่ใช้โมทเอาคะแนนสิงขขึ้นมากเป็นเกณฑ์ปรากฏว่าพวกมหาเทพมีมากชนะคะแนน บรรดาที่สู่ฝ่ายธรรมวาทีเป็นฝ่ายแพ้ธรรมวาทีชนะตั้งแต่นั้นมาคณะสงฆก็แตกถึงนสองพวกพวกพระมหาเทพพวกนิกายมหาสังสิกะแต่ว่ามีกายที่มีพระพวกมากเป็นเป็นฝ่ายเป็นฝักเป็นฝ่ายที่สู่ฝ่ายธรรมวาทีเป็นพวกน้อยเป็นพวกเทระวาทีบอกออกไปยกตัวเองออกจากเมูลปาตลีบุตรไปอยู่แแคนอื่นอยู่ในแแค้นมะขอดไม่ได้แล้วพวกอธรรมวาทีรุกกราณถึงเกิดแล้ ว, ลวอยู่ไม่ได้แยกเป็นสองนณะ นี่นีนี่เป็นข้อความในคมภีรซึ่งเขียนโดยที่สุตังนิกายเขียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาข้อความในคมภีกระถาวัตถุในเรื่องลักษณะของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์น่ะมีราคะได้ไหมพระอรหันต์น่ะยังมีจางขาได้ไหมพระอรหันต์น่ะอยังจะต้องเป็นคําว่าทุกหนอทุกหนออย่างนั้นหรือนี่นพระอรหันต์ยังมีความฝันได้ไหมนีม่กามบรรลุมรรคผลนี้ต้องอาศัยผู้มีพยากรณ์เสมอไปนี้ นี่สรรวมเป็นห้าข้อเดียวกันในห้าข้อนี้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระอรหันต์ในห้าข้อนี้กล่าวถึงคุณลักษณะพระอรหันต์เราก็มาวิถิจัยว่านี่เป็นความเห็นของบรรดาเจติอาจารย์ที่แตกต่างกันในทางทัพนธาทางครรมเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่พระโมคคิรบุตรติดเสถียรเจ้าต้องแต่งคำพีคาถาวัตรถุขึ้นเพื่อชี้ขาดความเห็นเหล่านี้ว่าในกายอนก็เห็นกันอย่างนั้นใกายเทรวาทีน่ะเห็นอย่างนี้นน มี่กายเจ้าวาสีเห็นอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับอคุณลักษณะพระอรหันต์วันนี้ก็จะนํามาพูดถึงถ้าธรรมดาพระอรหั น, หนต์พระรัตบุคคลไม่ข้อเท็จมีความฝันหรือไม่ข้อนี้ไม่ต้องพูดอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยแม้แต่ชานลาพีบุคคลที่เป็นบุตรชนถ้ายังมีสติมญญสมัยชั้นยะสมุทรแล้วหลับไปก็ไม่ฝันชานราภีบุคคลนะที่เป็นบุตรชนนะได้แต่เป็นกุ้งมาทานไม่ฝันแล้ว ใช่มีสถิไว้ทัญยะในการหลับจะปวยกล่าวปลายายกับพระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่ทําให้สติตและมันยะถึงพร้อมไัยบุญอยู่เนี่ยจะมีฝันได้อย่างไรในข้อนี้เป็นการขัดแย้งพระพทธจนอย่างตรงแจ้งเพราะว่าพระพุทธกาดมีมากในบาลีฝังทุ่ตะิกายก็มีในอังคุตตรานิกายก็มีกล่าวถึงว่าธนราภีบุคคลน่ะไม่มีฝันหรือฝีแต่ปางก่อนปางปางก่อนไม่ถึงปางก่อนเทศกาล ที่ทำฌานสมาบัติได้แล้วเช่นท่านอารักษะตาสะดาท่านชูเมตตาสะดาฤาษีเ ห, หล่านี้ยังไม่ฝันเลยจะป่วยกลับไปใหญ่กับผ้ารหันในครั้งพุทธจันร์จะฝันได้อย่างไรอันนี้ก็แปลว่าเทลวราไม่ยอมรับอำพิจารณาว่าถูกก็ไม่ยอมรับโดยค้านิการนี้ว่าผ้ารหันมีฝันไม่ได้โดยยกขุตโพธิ์ว่าทันนราพีุคพล์ยังไม่มีฝันขึ้นมาลบทล้ลางมติของฝ่ายที่ถือว่ามีฝันประจันหนึ่ง ในส่วนที่ข้อว่าพระอรหันยังอาที่จะมีความสงสัยในธรรมได้ไหมในข้อนี้แหละครับเป็นลัทนาการที่ต่อมาให้เกิดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานข้อหนึ่งขึ้นคือว่าในฝ่ายมหายานถือว่า <c oughs> อาวอนคือเครื่องกีดขวางานิพพานมีสองขั้ขั้นหนึ่งเรียกว่าจิเลยาวอน อาวอนคือความจิตขวางข่อกิเลสอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าเยียวาวาาออาวรคือเครื่องจิตขวางได้แต่ความรู้ข้องในความรู้อันหนึ่งข้องพ่อกิเลสอันหนึ่งข้องข้อในของในความรู้สองอย่างด้วยกันนะกิเลสอาวอคือความข้องพ่อกิเลสเยียววอนคือความข้องขในยายายา ค, ค, ว, าคนาวามรู้ฝ่ายมหายานบางนิกายไม่เห็นทั้งหมดบางนิกายเราพูดมหายานเราพูดถึงบางนิกายเราจะเมาหมดไหมอ่ะบางนิกายเช่น ว, ว่าพูดนิกายเซิง นิกายธรรมรักษณะนิกายเพนใดนิกายจโยโดนิกายชินิกายเหล่านี้ถือว่าพระอรหันนั้นทําลายได้แต่ความคล่องแห่งกิเลสแต่ไม่สามารถจะละความข้องในความรู้ได้ผู้ได้ง่ายว่าพระอรหนันต์กาจัดกิเลสหย่อนได้แต่ไม่สามารถจะกําจัดเ ย, า ย, ายาียายาวรเยียวยคือความรู้คือยังติดข้องในนิพพานยังมีความยึดในนิพพานอยู่พระอรหนันต์ อุปาทานอย่างอื่นละหมดแล้วยังมีธรรมุปาทานอุปาทานในธรรมเป็นขั้นละเอียดอยู่ในขั้นระดับด่างเป็นละไม่ได้ละได้แต่กิเลสแต่ละความคล้องไม่มีพานไม่ได่าอันนี้เป็นธรรมุปาทานหรือเป็นเยียาวรณแต่มหายามิกยัยมัทยามิกะถือว่าพระอารหานาันต์ละได้ทั้งเยียาวรละได้ทั้งกิเลสาวรละได้หมดเพราะว่า กิเลสสาวนได้แก่อหังการความยึดถือว่ามีตัวเราของเราความทึดถืตัวเรายียาวนเป็นมน้มังการกาวคือความยึดถือว่ามีของของเราก็เมื่อตัวเราละได้แล้วของของเรามันจะอยู่ไปยึดม่จะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีตัวเราของของเราจริงมีก็เมุ่อตัวเราละได้แล้วเพื่อถอนได้แล้วไอ้ของของเราก็อยู่ไม่ได้ตัวรู้กับสิ่งที่รู้ผู้รู้กับความรู้ เมื alive, oh course, together, yeah. rauen, ่อผู哈哈哈้รู้ดักแล้วความรู้จะมีอยู่ได้อย่างไรนะเราจะแยกผู้รู้กับความรู้ออกจากกันไม่ได้ที่ใดมีผู้รู้ที่นั้นมีความรู้ที่ใดมีความรู้ที่นั้นมีผู้รู้อันนี้เหมือนประหนึ่งเราจะพูดว่าความอิ่มกับคนอิ่มคนที่จะอิ่มได้ความอิ่มจะแยกออกจากกันได้ไหมเราบอกอ้แยกความอิ่มไม่ต่างหากจากตัวเราแยกออกจากได้ไหมแยกไม่ได้เราพูดถึงความอิ่มนั่นก็คือหมายถึงคนด้วยคือคนนั่นแหละ เป็นผู้ที่ได้ความอิ่มอ น, นั้นเราจึงอาศัยคนเป็นประทัดฐานในการบัญญัติความอิ่มขึ้นมาชั้นใดคนที่ละวิเลศละอาหังการความยึดมั่นในตัวตนเราเขาได้แล้วมัมังการก็ห้ละบด้ของของเรามัมังการเพราะฉะนั้นธรรมะในพุทธศาสนาใ น, ในาาาาามีการเทระว่าจึงถือว่าถ้านั้นจะมีกังขาในธรรมไม่ได้จะสงสัยในธรรมะไม่ได้ ตอเขว่ามีข้อยกเว้นนะพรโมคคิรบติจกก่าวอบเาว่ามีข้อยกเว้นนะพระโมคคิริบุตรติจกกล่าวว่าในคมพิถาวัตถุว่าพระอรหันต์บางประเทยังมีปฏิรูปวิจิตศิลป์ได้วิจิตรศิลป์นีสองอย่างวิิตรศในธรรมยังมีพระอรหันต์ตุคคลทุกท่าละไปหมดแต่วิจิตรศในปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปประเทศปฏิรูป พระอรหันต์ยังละไม่ได้มติรูปะวิจิตริชาพระอรหันต์ยังละไม่ได้มาตรีรูปะวิจิกริชาคืออะไรและพระอรหันตประเทศไหนละไม่ได้พระอรหันตประเทศปัญญาวิรุทธ์ละปรีรูปะวิจิตริชาไม่ได้มาตรีรูปะวิจิตริชาได้แต่สถานที่ถนนหนทางบ้านเมืองขี้บุคคลที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักยกตัวอย่างพระอรหันตต่ไม่เคยในเมืองไทยเลยท่ามาจะกินเดีย ก็เป็นเงินกันใหญ่มุดมุกคนเดียถ้ากนั้นมาพุทธมาคมนไม่มีเข้าพามาให้มาในถูกแล้านจถามเขาบอกเออไอทางมพุทธมาคนมนเครัไปทางไหนนะยังยังสงสัยอยู่ว่าไอคนทางนี้เาทางเพราะท่านม่เคยผ่านี่เคยรู้ท่านยังสงสัยในฉ่วถนนคนทางในชื่เต้นไหมที่ท่านไม่เคยรู้นนรจกักว่าไอตัวนี้ตัวนี้ว่าเป็น อ, อะไรเนี่ยถ<ฆ>นนฝายนี้คืออะไรอย่างนี้ความสงสัยว่าอะรมีในประเทศอย่างนี้แล้ว่าอะไรมาในประเทนี้นะ เป็นปัญญาวิมุตติอรหันตบุคคไม่ใช่เตตวิมุตติอรหันตบุคคลเตตวิมุตติมันจะเอาสายถามาเาขาแล้วนังเข้าสม า, าซึ่งก็รู้แล้วเอาสายที่พิสูตรรู้ตั้งแต่ต่อนใน้มไทแล้วรู้ชอยิ่กว่กาเรายหัตไม่ได้เตตวิมุตติคนนี้อรหนญญาเขาจะไม่เชื่อถามไายเข้าเขารู้อรหันต์ที่มีอริญญานี่แหละต้อถามาเขา้ า, า, า, า, า, เขาในสถ า, านทีน่ท่เาไเคยไปอย่างนี้ความสึงสายประเภทอย่างนี้เลยว่าปฏิรูปปฏิจิิปิๆๆๆๆๆา เลี้ยวปัจจุรุปวิจิตกิาขาเปี่ยนความจงใจในธรรมะนั้นทั้งบรรดาวิมุติเตรมุปหมดหมดละได้หมดเหมือนกันไมนมีการต่างขาใไไดทั้งสิ้นไม่มีเลยถ้ามี อ, าามอ ย, า ย, ายา่าว่าจะเป็นอรหันต์โดยเสวากเป็นไม่ได้แล้วถ้ามีพาวิจิตกฐานนั้ละมัดมัคคิตของเสวาปเทวาปิดมัคคิ่อหารแล้วเป็นจะมีเศเผ้าหมดความคางคองว่าเออจะบปนิพพานมีหรือไม่ดีหมดความคงแขง ยังย <elet> ังววกเราเนี่ยเราจะรู้เราเป็นตสวาหรืไม่วัดกันน่านิดเดียวหรือว่าว่นสองตัตาปฏิยังคะมีว่นสองความเป็นโัวตาบันบุคคลคือว่า1นงถามตัวเราเองว่าสินหาเราโดยดิบทพ้ที่ใจที่รับไหมผ่าสินหาโดยดิบทั้งที่ใจที่รับนะนี่เป็นดีกรีข้อ1ข้อที่สองถามตัวเองว่ายังสงสัยกันขาในมเขาพจะทำมาสงสัยหรือไม่ยังกันขาบอกเองเขพใจเขามีจนีงเปล่ยอย่างนี้อย่างนี้มนใจหรือเปล่ายังกันขาวว่ะ นิทานนี่เราจะไปดีรู้เลยดียเนาะเนี่ยถ้ายามีความหนออยู่นี่แล้วก็ไม่ใช่โสดาคือนิทานจะบริสุทธก็ไม่ใช่โสดาโสตาปฏิยังฆ่าเนรทันวามีคนใสมตองหนึ่งถึงห้ากมาบทสิกบริสุทธ์บริบรูบรณ์ทั้งในที่จ่มสีรัสองหมดกลามีศิศาในพระไตรรัตเท่า น, นี้คนนั้นมีโสดาแล้วคนนั้นม่โสดารูกตัวเอรลำโสดาบันเพียงแค่นี้ด้วยโสตาปฏิยังคะเนี่ย คือถึงกระแสแล้วสุนันเพียงแค่นี้เองก็รู้ว่าเราเป็นโสดาแล้วอยังงี้นี่ใครจะบอกเราบอกว่าจะให้ไปในพันในชั่วโมงขึ้นมาเราจะตอนนั้นรอเองใช่ไหมเดียาลี้ยงรานนี้ยังไม่ได้ทาทีนัยทำช่วปึยังไม่เอายังไม่ยังไม่ยังไม่ไปชั่วโมงนั้นอย่าบอว่าชั่วโมงละอเดือน้ยังไม่ถอยไปเลยสินะยังมีลาห่วงใอยู่เลยนี่กว่าเราเป็นโสาแล้วยังไม่ใครไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ึ้ามเป็นกระแแล้วนี่ยังยังไม่เห็นนี่เพราะเหตุนั้นไม่บาลีท่านพ อ่าบุคคลโพสุติมะธรรมทิฏฐิญาณว่าปัจฉานิพานิพานญาณเมตติดูก่อนสุติมะธรรมทิฏฐิญาณแรกเกิดก่อนนิพานญาณเน่ยเกิดตามมาทีหลังนี่มีพุทธพจน์นะกล่าวในสังข์สังขกายประกาศสุติมะว่าดูก่อนสุติมะธรรมทิฏฐิญาณน่ยต้องเกิดก่อนเกิดแล้วนิพานญาณจึงจะเกิดตามมาทีหลังไม่ใช่ว่านิพานเกิดก่อนธรรมทิฏฐิญาณเกิดตามไม่ใช่ ธรรมทิฏิยานไดแต่อะไรคห่รริที่จะชนาปัญญาที่เห็นไม่เป็นไตรลักษณ์นะอริยจักทุกขางนักตาที่ว่าธรรมทิฏิญานไม่เห็นไตรลักษณะอย่างของแท้แล้วนิพพานยานที่เกิดตามมาไม่ใช่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่นิพพานยานเกิดขึ้นก่อนเพราะเหตุนั้นเตดาปฏิมากจิตทหาิติปิชาดวมนี้หมดแล้วจะปวยกล่าวไปใหกับอรหันตมรคจิตเราเพราะเหตุนั้นนิกายเ็นว่าจึงไม่ยอมรับว่า ว่าอารหันยังอาจจะมีความสูงไปในธรรมะได้แต่ยอมรับว่าอารหันรประเภทปัญญาวิมุตั้ไม่ปฏิรูปวิจิสิคิชาได้ด้วยตรการปชะนีอีกข้อนึงคือข้อที่ว่าพระอรหัน์เนี่ยจะจะได้มรรคผออล้งัยคนหนคือพระยาบาลหมไม่จาเป็นข้อนี้ไม่จาเป็นไม่ปฏิบูตเป็นอันมากเป็ น, น, น, นพันผูดลงท้ายแสดงว่าพระอรหัน์รู้ว่าชาติสิ้นแล้วธงประจำจบแล้วจิตอ็นที่จะทาอีกไม่มีแล้วพวกนี้เป็นพระสิธิ์ของเราแล้ว ถ้าอย่างนั้นนี่กายตะวนข้าเขาถามบอกว่าอ้าวเป็นั่นทำไมเขาต่างายใจจ้ะ่พาอัญญาสโตนันโยอัญญาสิอโันโยล่ะว่าคนพญนได้ดูหนอเป็นพัได้ดหนอตรอย่างนี้ทาไมก็แสดงว่าองค์พญากรณ์ที่อัญญาคนพันยานี่สิไม่ใช่คานี้ไม่ใช่คพยากรณ์คนี้เป็นคำตรัสที่พระองค์อุทานด้วยมนักอินทรีว่ามีพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นสักขีพยานในสักสาจของพรองค์ว่า พระทูตาพระองค์น่ะบุคคลปฏิบัติได้แล้วก็ถึงได้ตามที่พระองค์เนีปฏิบัติแล้วถึงแล้วจริงเป็นตะขีพยานเป็นอริยบุคคลยังมี็นตขีพยานแต่พระองค์ท่านวันนี้พานของจริงพระองค์ถึงแล้วแล้วทำคออไมคนอื่นก็ถึงตามเดจริงพระองค์ถึงความเป็นสมัสมาสัมพุทโธไม่ขนานั้นแหละในขนาที่พรุณทานว่าอัญญาสีกวัตเตโพกลันโดว่าอัญญาสีกวัตเตโพกุลันโดไม่ขนาดนั้นแหละพระตาความเป็นตัมมาสัุโธอย่างเดินเดินแล้วล่ะเพราะอะไร ข้าว eh? e. ีสาวของพระตะเคียนทำงันตามที่พระเป็ดเจ้านั้นนอกจากตระรูเองแล้วต้องตามมาแก่ให้คนอืรู้ตามที่พระองค์รู้ได้และพระอันยากรท่านนี้เป็นคนคนแคกที่ได้รู้ตามที่พระองค์รู้คือได้ถึงนิพพานตามที่พระองค์ถึนั่นก็ต่ดอย่างนี้จึงเดิเปลียนเรื่องฮัตตมาตะกิตเกี่ยวกัผมและอินทรีว่าอันญาวติ วัตโโกนดันโยอัญญากตโคนดัโยอันถ้าอัญาโกนสัญญาเนี่ยเรารู้แล้วหนอเรารู้แล้วหนอไม่ใช่เป็นคำพยากรณ์นะ้าอัญญากกนพยาใจมักผลแล้วไม่ใช่รู้จึงดีกีรับรองว่าอัญญาโกนพยาไม่ใช่ราอัญญากนนี้เองก็ทได้แล้วทำได้แล้วรู้ตัวเองแล้วเรื่องปาขกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพระพุทธาสติกลบบุตรพระพุาติกลบบุตรดีนะไม่เคยรู้จักใช้แห่งพระพุทองค์มาก่อนเลย แต่ว่ามีความเลื่อใสโดยสะดับสิทิศักดิ์ของม่เพระเจ้าแล้วสะดับสิทิศักดิ์ของเขาทำแล้วก็มีความเลื่อนสอุทิศบรรพชาออกบวชเฉพาะพระตูมือภาพโดยไม่ทันได้เจ้าพระองค์แล้วก็เดินทางจากนี่นมาจะมาเจ้าพระเจ้าที่สาว่าถีแต่พระเอิญมาถึงประตูเมืองก็พอดีวเวลาข้ามประตเมืติดเข้าเมืองไม่ได้ก็ตั้งใจรอ ว, ว, ว่าวันรุ่งขึ้นจะเจ้า แวะไปพักที่โรงในช่างหมอพอเอ็นมานั่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จผ่านมาแล้วก็แวะเข้าไปในโรงของนายปุมภการคือนในช่างหมอกเสด็จผ่านมาหลายบ้านทีเดียวมาถึงเรืนในช่างหมอกก็ถามในในช่างหมอกบอกว่าเดี๋ยวก่อนทนายเรือนทำหมอกท่านนะ่ะกว้างขวางดีทําไปเป็นการขัดข้องแล้วสถาคดขอแรงคืนสักคืนหนึ่งจะ ไ, ได้หรือไม่ ไม่ช่างมอว์เขาพูดบอกว่าได้พระเจ้าค่ะแต่ในเรือนนั้น น, น่ะมีกุลบุตรผู้หนึ่งอาศัยอยู่ถ้าพระองค์ไม่ขัดข้องไม่รังเกียจแล้วก็มีมนเถอะพระ อ, องค์ก็ดมฤตในะพระพายบอกว่าเออธรรมดาความวิเวกเนี่ยย่อมเป็นที่พอใจของผู้ที่แสวงหาวิเวกธรรมกุลบุตรผู้นี้เนี่ยได้ทานบ้านนี้มันจะเงียมากแล้วก็ม่แยกเลียงอาศัยไม่อาศัยเลี้งในช่างมออยู่เออคนอย่างนี้เราประทาคดอาจจะอยู่ร่วมแรนคืนก็ได้ก็จะเด็นกลับไปพัก ไปถึงเห็นกุรบุคู่นี้นั่งอยู่อิรยาบทอาจาระเรียบร้อยแต่คุณม่ยามผ่านไปกุระบุคู่นี้ก็ไม่นอนเข้าสมาธินั่งทกากรรมฐานกําหนดกิริยาบทถตัวเองเป็นไปอยู่ท้าวสัสดาหเห็นอย่างนั้นก็เลี่ยนใสในอิรยาบทก็ดําดบิณฑบาตทายบอกเออภ่าทีของกุระบุคู้นี้น่ะเป็นผู้ติดถ้าไหวงั้นิโมกขะทำเป็นแน่ถ้ากรรกระถาก็จะรองถามดูก็เลยหยัดทักขึ้นว่าดูก่อนท่านผู้เจริญ ท่นบัญชาชทิศใครนะใครเล่าหน่อเป็นป่าประดางท่านทานหนึ่งมาที่หน่สาววสีเนี่ยเพื่อหาใครหาอย่างนั้นพุกกุฎาสิกุระบุตรก็พูดบอกว่าเราชื่อพุกกุฎาตินะเราทิศตอบพระสกย่ามีมีโคตมะผู้เจ้าพระองค์นั้นเรามาที่เมนี้ก็เืจาา อ, ะอจ ะ, อะาออามาเฝ้าพระองค์ผู้เจ้าก็ระบตรจะพูดคาว่าโอ้เข้ามาเฝ้าเราแต่ก็เราเรย่างก่อนจะไม่เปิดเผยให้ใหพระองค์ก่อนจะแสดงทำให้ดีให้ฟังก็บอกว่าดูก่อนุณะบตร ถ้ากันนั่นแล้วเราจะแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นักยิฟังท่านาจะยินดีฟังไหมปุกษุษาติกรบุตรก็บอกว่ายินดีพระเจ้าค่ะก็ฟังทีเดียวพิุทธเจ้าก็แสดงธรรมตั้งแต่อ ร, าาอรุตุพีคาถาเป็นดัดๆยกอาณาสาบแสดงปุกุษาติกรบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมแต่นนนน อ, นอนาคามีในขณะนั่นเลยพอได้อนาคามีก็รู้แล้วว่าพร ะ, พพระสดธรรมไม่ใช่ใครคือพระพุทธเจ้านั่นเองลุกขึ้นจากที่ได้ทำจีวรเฉวงบาสทิสรกลงกับพรมคุบาศแล้วก็พูดบอกว่าพระเจ้าค่ะ อาจจะโย่พวกคนไป ก, ากํามใดที่เป็นไปร่วงเกินในในพระบูริยพระพาที่ข้าพระองค์ตั้งอาดตีเสมอโดยใช้คาคําว่าเอาดีเถิดกับพระองค์นั่นน่ะเป็นกรมอายุนของข้าพระองค์ขอพระองค์จงรับอาจจะโย่พวกอนั้นของข้าพระองค์โดยจะมันพวร่วงเกินเนถิดข้าพุทธเจ้าข้ารู้แล้วรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วทําไมที่รู้ก็เพราะว่ามีดวงตาเห็นธรรมนั่นเลยที่้าสิ้นแล้วรู้ว่าถ้าไม่จะไม่สิ้นก็รู้เป็นดยมรุกค์ขันไหนแล้วเวลานั้น เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเยธรมังตัติโสมังตกติติคือได้เห็นธรรมอยู่นั้นเห็นยังภูติสาสิกุลมทเห็นพระธรรมกายของพระพุทิเาแม้รูปกายจะมีใครแนะนาพระองค์เป็นใครแต่เมื่อแสดงธรรมภุติาสิติยังติดยังถือองค์ธรรมเห็นพะธรรมตายแล้วรู้ว่าท่านผู้นี้แหละคือบุคคลที่เรียสจังหวะสัมมาสังคารมาเปิดเราแล้วท่านจึงไม่ต้องพรกหพระศารยแนะนาพระองค์ได้เข้าไปภูถลายเตลภูมิขอขมาตัมอันนั้นกับระารยา ถ้เหตุนั้นไม่กล้เทรว่าทินไม่ยอมรับว่าอนยญาตบุคคณต้องอา้ัยคถอื่นเข้ามาให้มีคกอีให้ประกาศนโยบายว่าเด่าเป็ลูกขันนี้เป็นตัวาขันนั้นเป็นตะกีาคาขันน้้แต่อนาคาขันนั้นเป็นอรหันต์ไม่จำเป็นปฏิบัติแล้วรี้ตัวเองแล้วว่กคุณจะเป็นอะไรบ้างแป็นี้ตัวเองดูเป็นใจดูดังสาโคุตาหอนยกมาสองเลียมเป็นกระพะเป็นเขื่ดประมาณมีเป็นประการหนึ่งปัญหาอีกข้อหนึ่งในกระาะวั เป็นพิธีของสังนิจัยเป็นิจัยมหาทัศนิจที่กล่าวว่าคําอมทุนจะต้องเกิดขึ้นจะต้องเป็นคําว่าทุกหลอทุกหน่อแล้วก็อทุกนี้เป็นทุกขาหาโร่ทุกเป็นอาหารเป็นนักคัางคังเป็นองค์ของมรคทุกนี้องค์ของมรคนะเป็นทุกเป็นเป็นปริปริยตารยาคือว่าเป็นมาให้สำนักตูนเข้าไปปริยปริยาปัญญาทำได้ข้อเนี้นิจายจะได้วาดไม่ยอมรับรอบ เรารับรองแต่เพียงว่าตามจะเข้าถึงนิพนธ์นั้นบุคคลจะต้องกําหนดรู้ทุกเรายอมรับอย่างนี้ทุกไม่ใช่เป็นตัวที่ให้ถึงนิพนานโดยตรงตัวให้ถึงนิพนานโดยตรงคือตัวมักเป็นตัวทุกทุกเป็นเพียงแต่เครื่องมือสาหรับให้ให้ไปถึงนิพนธ์เครื่องมือเป็นเป็นตัวที่มาให้เรากําหนดรู้ทุกเนี่ยอยาวยธสำคัญจ ร, งจรงิงๆใบติดข้ออาวสำคัอย่างเป็นอย่างเป็นต่ ว่าพุกนี่จะต้องกําหนดรู้นะกําหนดเนี่ยต้องกําหนดรู้คือส่สวนสมุไทยคือเหตุของทุกแต่จะต้องละอมัดจะต้อง อ, องไม่มีนิโรธจะต้องทำให้ไสร็จท่นดังท่านเดืดร้รอนแล้วเพราะเหตุนั้นตัวที่จะถึงมิธานน่ะได้แต่องค์ของมัดไม่จะเจอทุกทุกเป็นเพียงแต่เครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือ ท่านเองนี่กลายเป็นว่าเปนข้านขอ้อจีว่าทุกนี้เป็นมรคคังคังไม่องค์ของมรคเราไม่ถือเปองคของมรคยังเดือขาดทุกเรื่องัมรคไม่องคง์ข อ, อ, อ ง, งมรคถ้าทุกเป็นมรคแล้ว อ, อกลุ่นี้ไม่ได้เป็นภาวตปฏิจมรคเป็นภาวตปฏิทุกเป็นตัิกาตปฏิเป็น้ว็มุทายคือปัญหานั้นเป็นปัญหาตปฏิจนิโรธ ค, คือนิานนั้น เป็นสัจคิกราชิกเปงนคำอตแก่ส่วนมากลิลโรทัศน์ปฏิปทาอรรยปัตนั้นต้องเติมพาวไว้สัพพิคือต้องอบรมให้มีขึ้นถ้าหากว่าทวกมัมักคังคแล้วเราก็จะอบรมพกแตนดีอบรมทำไมพวกอะพวกอะไรจะหนีมาหนีมนล่าทิงมันไปอบรมแล้วก็ทำให้มันมีเยอะๆงนี้เราพอใจหรือเราไม่พอใจเราต้องการปล่อยวางต้อสการทุกข์ทุกเ็อันนี้แหละท่านยังตอนนี้ต้องรู well. ้เพียงทุก มือูกกำหนดลูกทุกล้อคิดในล้อตัดสนนะ่ะเป็นไปในขณะเดียวกันหมดในสมัยได้ําหนดนูกทุกในสมัยนั้นชื่อว่าล่าสมุทัยทาให้แจงสิ่งนี้โรดแล้วก็ตกลงสิ่งมักนี่เอาไปคิดว่าตอคู่ในขณะเดียวกันเนี่ยู้ในขณะมัคคิตลจิตนะในขณะมัคคิตุลจิตเป็นมคคมันทีเนาะก่อนไม้่จะ เ, เป็นมัคคิจิตเนี่ยไม่ได้ทำีระย่างจะไ่บอกว่า อ, อ๋อตอนนั้นเราตอบมหาว่าในขณะจิต ําหนดรู้ทุกในขณะสมัยใดสมัยนั้นก็ชื่อว่าเป็นการอบรมมัดคำให้จองเนี่นี่เลอ่าั้งนั้นแล้วก็มัดคันคันทุกเป็นมัดคันคังก็ติดกแล้วเลยที่นี่กายฝ่ายตรงนี้เข้ามาเห็นได้่าบบางทีจะเข้าใจผิดจากไม่ยากข้อนี้คือว่ามีพุทาสิทธิแสดงว่าจิตอริยาสัตตีนะไม่ไปในขณะจิตเดียวไม่ได้ยากในขณะไม่คำว่าขณาจิตเดียวเลที่นี้หมเป็นมัดขัิดในขณะจิตจะทุ่มปนองค์มากแล้ว พม่าที่กระหังตีเหล็กเท่าี้งเตะตอโนะขนาดคำพิษในขนาเดียวนะอาจารยมีใจเองเข้าใจแปลมันมือปรข้อนี้ผิดไปจับใน้อมะขนาดตีเดียวข้าวบนเลยบรรยัติไม่ใชว่าุกการเลยเนี่ยเป็นมักคันคันเป็นองค์ของมัดไปหารู้ไม่ว่าความในข้อนี้ท่านหมายถึงขนาดของมัดพิที่นีเดียวขนาดชั่วแบบเดียันองขนาดเดียวมัดพิษเกิดที่หนาเดียว มาาทหรสิเเลจะะุ่ขณะนั้นใหญ่จุดไอ้ยาติดตจะคุมพร้อมในขณะนั้นท่านตึงต้นท่านตึงติดเหมือนกับตะเกียงไฟความสว่ า, วางเติดเมื่อจิดไปตะเกียงขึ้นความสว่างปรากฏความร้อนปรากฏไหม้ไฟปรากฏน้ำมันแ ห, ห่เหลียดปรากฏทันตีอย่างนี้เป็นไปในขณะที่ไฟสว่างวับขึ้นในขณะนั้นเริ่มเผาไหม้ความตว่างนี้ความร้อนนี้น้ำมันเริ่มแห่ ทึงไม่จะไม่เห็นใจห้าตาหวี่งหมันก็เริ่มห้งเฮียเรี่มเตียน้อยแล้วเริ่มห้างลวห้างมากใจหนึ่งประมาณหนึ่งจิตห้งแล้วนี่จิตน้อเยืสัตว์ตในขณะมรกคจิตเตขึ้นดวงหนึ่งนั่นน่ะฉันด้ิพี่จะเพียงไม่ใจใหม่น้ำมันให้ความสว่างให้ความร้อนก็มีอุปมาอีกฉันน่อันนี้อาจาร์เหล่าเออนิสัยเอเข้าใจผิดไ่จับเชื้อเข้ามาอ่าทุกจะไม่ทันนิโรธมันจิตั้งจะชุมคอ ในขณะจิตนักติตทำหน้าที่รู้ทุกพระสมุทัยทําำใจสิริโรจน์แต่เนี้งสิ่ ง, ง ม, มกักไม่เข้าใจผิดจับเชื่อคํานี้มาตีความว่าทุกนี้เป็นองค์ของมักมักขังขอย่างนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับการนิยามความหมายต่างคนก็ต่างนิยามตรงข้ามไปผิดไปมีอีกประการหนึ่งนีมีเป็นมรติของในกระทัว่วัตถุต่างนิกรนะสิ่งที่หนูเขนี้บุปผิดจกักได้ข้านเอาไว้ในคำพภีารกถาวัตถุโดยดีหลักเทระวาทีข้านเอาไว้ ใหเหตุผลนั้นที่ได้เกิดมาอย่า ง, งเป็นเถีเอาม า, ว, าว่าว่าอย่างนี้ยังมีเกี่ยวกับคุณลักษณะพระอรหันต์คือว่าอีกนิกายหนึ่งที่อว่านิกายตระวาสติวะทะหรือในบาลีที่เรีกว่าสัพพิตตวะนิกายนี้ถือวาพระอรหันต์เสื่อมจากมรรคผลแต่อาลัยบุคคนเรื่องต่มอีกสามไม่เสืเอ่อมเออ อาาคาไม่เสี่อมพระเ้าคาาไม่เสี่อมโศดาไม่เสี่อมต่อรหันเสื่ยมอรหันเสื่อมอะไรเสื่ยมอรหันประเภทสมัยยาวิมุตติบุคคลอรหันมีสประเภทอาสมัยยาวิมุตติบุคคลประเภทหนึ่งสมัยยาวิมุตติบุคคลประเภทหนึ่งมีสประเภทสมัยยาวิมุตติอรหันได้แต่บุคคลประเภทอะไรได้แต่พระอรหันนีที่จะต้องอาศัยสิงว่าล้อมช่วยถึงจะบรรลุมรรคผลได้ คือะต้องอาศัยกำลังร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีจะเลนิบัตนาแล้วเป็นอาหารประการหนึ่งอาศัยโพชนาสตายะอาหารการถูกฉันถูกต้องอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งสืบคืนในธาตวิตามินแล้วต่อไปะเจนิัตนาเป็นอาหารหนึ่งเรื่องโพชนาสตายานะเส้นนาสนาสตายะที่อยู่อาศัยสบายที่มึงบางสบาย ไม่เย็นไปไมนร้อนไปสบายไม่ไปยู่มไปเทีเร้อนเกินไปคนขี่หนาวไม่ไปดื่มเดือหนาวคนขี่ร้อนไม่ไดืมเดือรอนอ า, านอาศัยลิ้นฟ้อาศาเนารสนะสบายแล้วเจริญศาสนาไปอาหารหันต์ประการหนึ่งแล้วก็อาศัยอา ร, มรามณะสัตยะอารมณเป็นที่สบายได้ใจอารมณ์กรรมฐานถูกตรึตรของตัวทำตลอสบายม่ากแล้วเปอรหันต์ ห, หนึ่ง อาศัยการสังเกตวณะัตายะการส่องเจดกับมิตรท่อัตยาสายใจคอสบายหนึมงทิศสามาตา พ, พรอ้อมสี่วัตมาสามมตา พ, พร้อมอย่างนี้เลาจะเลยวัสนาเป็นอรหันต์หนึ่งสมมตว่าอรหันต์จะพิจิตต์อาศายสิ่งละล่าดังกล่าวเนี่ยเป็นอรหันต์อรหันต์ขึ้นอรหันต์อย่างนี้ในวัตถุไม่ยมุติอรหันต์คือมิพ้นตป็นสมั ย, ยมสมัยมิพ้นในสมัยมสมัยม <laughs> คำดีดุกันเด็กลูกพ่นด้ไยสมัยสมัยไปเอออาหาอะไรพนี้ถ้าไปเจออาหารที่เป็สไปเยะเสี่ยงได้นะเออไปเจอไอเซนากรมั้นเปสไปเยะก็เสี่ยได้นะเออไปเจอเวลาล่างกาุขภาพไม่ดีเนียอ่าออนแอลงไปเป็นไข้วัดเลือดล้มหมอนนอนเตือมักฝนไม่ได้ก็เสี่ยได้นะเด็อย่างนี้ เจออาษาที่เหนื่อยโกสบายสมมติแบบคนเมืองแรกก็เออนี่จะมาปาที่อันตรหนาวจัดตัวเดินได้นิดเียวเออแบบนี้อาหารแบบนี้สมัยยุคดินิติบุคคลอหนี้เป็นอาสมัยยุยดินิสติบุคคลนั้นอ่ะไม่จาเป็นต้องอาศยอาหารอุตูอมติสาหอารมณ์เลยไม่จาเป็นเป็นได้อาหารประเภทนี้สมัยยดินิติอย่างนี้มันยอเสื่อมนี่นี่ตายตัดถิกรวาือว่าอาหารมีสองพวกบังที่ว่ามานี่แหละ ที่กายเาดได้ยงไาโมคตีจารุติจาค่านเดข้ามทีเดียวไม่ทำทีกระเทาะว่าถูกทานข้ามแบบว่าพวกศิษย์ทนอย่างนี้เข้าใจผิดหมดเข้าใจความหมายคำว่าสมัยยวิมุติบุคคลอาสมัยมิบุคคลผิดพลาดคำว่าสมัยยอดมุติบุคคลในความหมาย่กายเาดนั้นไม่ได้หมายถึงพระอรหันตบุคคลไม่ได้หมายแต่หมายถึงข้าอาริยบุคคลเรื่องต่ามีพระเบราบัเต็มเต ขดาบานน้าเป็นอรสมัยยุคหมดนะเอ้ยเป็นสมัยยุมุดขดาบานเนี่ยแล้วเป็นขดาแล้วที่จะเสื่น่ะไม่ใช่เสืนจากมัดผเตือนจากทานสมาบัติทานสมาบัติถึงก็เสดาบานเนียเตือได้เลทีทานอ่ะที่ได้ได้ก่อนเป็นผู้เสดานี้เมื่อเป็นผู้เสดาแล้วทานสมาบัติที่ตัวเคยได้ก็ได้ก็สาม่านจะเสื่นได้ผูเสดาเนี่ยเสื่ได้แล้วที่เตือไม่ใช่เสื่อนเพตที่ว่าอาหาร ไม่ถูกรถหรือว่าสุขภาพไม่สมดุลหรือว่าอ่ที่อยู่ไม่สบายหรือว่าอากาศที่เหมาะสมไม่ใช่แต่เป็นเพราะรัฐเถธามาเรียนเข้าธรรมวัฒนวัดวัดเทธาวางทำลายแห่งวัตะอะไรที่ว่าวางทำลายขอย่งวัตะท่านยกตัวอย่างม่อาตกะถาแห่งคำทีปุคาบัญญัติท่านยกตัวอย่างยกตัวอย่างบอกว่ารัฐเถธานะ่ะยกตัวอย่างที่จะเขาสุดาบันกอ ตอนเช้าอุ่นบาทออกจากวัดไปวิ น, นบาตไปไปที่ลานวัดเห็นเด็กมันเล่นกองทรายเปลียนกาดหมดก็ปั้งตั้งใจบอกว่าเออเทมีหลังฉันเทมลายจะมาเสกิดบาดตอนให้มันเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ลืมไปเลื่นไปกลับมาเข้าสมาบัตรเ อ, อเข้าไม่ได้ใจมันจะกิจตะผุว่าเออเราตั้งแต่จะทำอะไรงานแค่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรนาะมุกไม่ออกเข้าสมาธิไม่ได้เข้าฌ า, า, านก็ไม่ได้ อย่างนี้รรเราไว่ต่เพย์เขาเขาใจก็มันก็จะคุทํางานที่ไหนเล่าไปเลยนึกคิดอะไรไม่ได้อหรเนี่ยแล้วเลยเข้าฌานสมาบัติไ่ได้อย่างนี้เป็นว่าต่อเพย์เขาเขาด้บาบนเตียงได้อย่างนี้ไม่ได้เตียงจากนักเตียงจากผลไปเตียงจากฌานจากสมาบัติได้ท่านลึกขึ้นลึกขึ้นได้แล้วไปทํางานอันนั้นเสียกลับมาใจไม่จะคึ้จะถ่วงแล้วเข้าสมาบัติได้ตามเดิมทุกอย่างเนี่ย ตารเตือนจากทางสมาบัติถึงพระโสดาไม่ใช่ เ, เตียมเพราะเยปัญหาไม่ใช่แตเตียมเพราะงานที่ขัง่งค้างไม่ได้ทาไม่ลลยทํางานที่ตั้งใจจะทําแล้วก็มไม่ได้ทำอย่างนี้เรียกวัดตระเว ท, ทะอย่างนี้อมาคามีบุคคลไม่เตือนเพราะอะไรอมาคามีบุคคลน่ะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสมาที่ปริบุรณ์ถึงพร้อมด้วยสมาธิแล้วอนณาคามีบุคคลน่ะไม่เสียน เจ้าดาสติขาคาทำรารสิกขามีสีละสิกขาสมอุนทรพรอนาคาเสียสิกขาจิตสิกขาคือสมาพิเดียสมุนทรพรอรหันนั้นใจสิกขาสมุนทรพรเพราะฉะนั้นอรหันไม่มีวันเสื่มเลยสมัยยุนยุคลจิงหมายถึงกุศสดาบันหรอกไม่ใช่หมายเป็พระอรหันเลยแล้วก็ตกเป็นโสดาบันที่เสื่มก็เปรเสืมจากมรรคผลต่เสื่อมจากฌานสมาบัติปหาเล่านี่ ตามความหมายในะกาเรเฉลิมฉลอเป็นอย่างนี้เราจึงคัดค้านว่าขึ้นชื่อว่าอรหันต์ล้อไม่มีเสียง ล, ล้อจากมรคนคัดค้านในกายสังพตจักรวาละมันเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งในเรงนี้ก็เห็นจะพอที่วควรในเวลานะฮะว่าเด็กประมวลเล่าถึงข้อความใน ค, คีคขาวัตถุเกีเ่ยวกับคุณในลักษพระอรหันต์าาานต่างในกายเห็นกันอย่างไรและมีกายเฉรนะิมฉงน่ะได้แจกแจงคัดค้านอย่างไรยินหลักง่ายเฉลิมฉอย่างไรก็อที่ควรแต่เวลาได้ทุกชั่วโมงนี ล, ลมัง้ง อ่ก็ขอจดอ่าปาสกถาในวันนี้จืนวนี้ก่อนนะครอ่าคุณเห็นกิเว่าพระที่อยู่ในท่านจะน่ารอดทับไหอ่าขอถามว่าพระในหรืะน้กในหรือมากกว่ากันรนมากกว่าพระในมากกว่าพระไมากหรอพระที่โนมากอาจจะถึงว็พลามไปถึงม่ได้ แล้วไปจะเห็นว่าภาคเหนือภาคหนือสดฝันฝันฝันอ่าตาวตามที่เห็น่าเราเราก็ต้องเชื่อภาคเหนถูกพลอดวันภาคเหนเนี้ยมีบัญญัติคือคยติว่าที่ขาบทอันใดธรรมะอันใดข้อใดที่ที่จะบัญัติได้จะไม่ถ่ายถอนที่ไม่ได้บัญญัติจะไม่เสื่อมส่วนเติมข้อนี้เป็นคำสุดจุดจอกที่ช่วใการศึกษามาดยอันนี้สาคัญมากในรเอว่าอาจจะเพิ่มเติมอะไรมาหรืออาจจะตรับพรแล้วออกไปแต่ล้วใครเราเจอใช่มับดังนอ่าบางท่านก็ถือความกมา ถากว่าเราเนสมว่าเรามามากลนึน้าคถามว่าใครที่เาเอามานมาสเก้าเขาว่าเลยไอ้น่ไม่ไเพราะฉนั้นมาติดมมาจิงไม่เคยไปทเสมอไปมาิกนมากไม่เปทำเสมอใช่คันนี้จะไปทำเสมอหรอไอ้หน่เราก้าป็บางทีตดยมากไม่ติแล้วเขาที่จใจะเีสอนเลยอิตปฏสารยังไงครับ อาตาที่จะตลยโลตาที่จะตายจะทามาที่จะตาโลาที่จะตายจะมาติดเุินหีมักไม่ถูกไม่ไม่ถยกแย่ยกย่อมทำมาที่จะตาความชอบความติดเลือดเ็นผลแต่นไม่ดเงนมากกว่านะาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่า่่าาา าเ้ว่าพิานเผ่งเมื่อเป็นที่อย่างไรตามเป็นยากทรว่าหมายความว่าิานการที่บาพิานน่ะมีอยู่งยะยะรับกับยะปฏิเสธการที่บานิธานและิสนานี่มีองในยะในยะรับคืออย่างไรคือข้อความที่ข้าระอเมตตารว่าพิานนั่งประมังสุขังิานเป็นบรมตอย่างนี้ยะรับ ในยอปฏิเสธคืออย่างไรคือคำอฏิเสธบอกว่านิสพานเน่ยไม่ใช่ปัทวีเตโยวาโยอาปไม่ใช่อากาสานใจยุตนะวิญญาณานใจยุตนะจินตญายตนะเนวะสัญญาาสัญญายตนะไม่ใช่จินตทจินิไม่ใช่พระอาทิตกากันในนิสิต่างหนึ่งในนิสิติเตนั่นแหละที่สป็นกละอธิบายอย่างนี้เป็นลยปิเสทำไมทเให้เราสงัยยะก็เพราะว่ามีพานเุ็นตมิตรนที่ายของัดตัดคือจ คำว่าความดีเท็นที่ยนถคิยังงอย่างบกปัจจุบันไม่กลาว่าเปิเสธว่าการที่จะใช้หลักลยิเพื่อที่จะ้นิพา น, นไม่ได้เล่นลอยหินก็เล่นกานเล่นคารมและเ่นการหาเหตุผลไม่แน่เลยเล่ได้ใได้แต่กานจะเข้าขุนนิทานโดยใช้หลักนิชลาลอยินเปนะ็นเครื่องเน่ไปไม่ได้อฏิเสธอ่าง น, นี้ เวลานั้นเนี่ยอินเดีย น, น่ง้อยงพวกเจ้าถอยม้อามพวกเจ้าตู้คาเรมีมากมายโดยเฉพาะอย่างนี้คือปิพาชกปริภาชกเียป็ น, ปนทีชาวการอาตีายไรอารัสิกเคยดพภาษาปุตตะในวิชาไรอารสัตาารสติกภาษาวิธีการอาตีกายเซีาดีอย่างจิงนัดปาตรใช้กันอย่างเป ร, เระดีเคยใช้เเครื่องมือในการถ่ปรัชญาของเขาไรอารสิกเนี่ยอภิีายพักป้อให้เขาเห็นข้อพักเป็นคามเรื่อใยหงเหวี่งจับเถิดจับเหวี นิานป็นรรมที่เหนือเหเหนือเหตุจะเาเลตุเ็ทงเเอาหลักลนิพาเวมาวัดนิพพานเลยสิเห็นแล้วคงจะปฏิเสธว่าจะอาศัยวิทยาการปัชญาวลอยุทธนเนี่ยคือที่จห็นการติกให้อย่างนิพพานจะไม่ได้แลวมึงได้ทางเดียวต้องเอาสาทางปฏิบัติขดัดไกทางทางสำเร็จทางปฏิบัติคือปฏิบัติคือการขัดไกลต า, ายใจใจแนั้นเองทีง่จะถึงได้ลาพังเท้าคาเลนแต่เข้การคิด แล้วก็อ เ, วเอา้าเหตุผลมาประเมินและจะให้ถึงนิพนธนี่้เพิ่ทางมฏิันิเต็อย่างนี้เนี่ยความหมายในข้อนี้มีเพียงางนี้ครับอ่ า, อ เ, ออ า, าอเป็นแล้วก็ติดใจแต่ใจมันิดไม่กดอารมนไม่ได้เทาที่กาคิดติดใไม่ได้ครับเท่าที่ารคิดไม่ติดใจไม้คาะาคิ่ให้ถึงนิพนธ์ไม่ได้ล้ำทางเอาใจหลผู้ไม่ไหแล้วทู้ที่ละเอาใจห ล, ะกลักเราดิค่ะถึงนิพนธ์ได้ดีกว่าถ้าบว่าคิดติดใให้ถึงนิพนธ์ได้แล้ว แ wow <ife> ั่นก่อนนี้ก็ถมีวามลูกคนมาคิดก่อนหนึ่งคิดก่อนมาคิดยากจะได้พานคิดอยากจะจะให้ถึงพานเนแต่การคิดแต่งานี้จะเิดตัวที่าถึงมีพานโดยตรงหากว่เป็นเครื่องสนับสนุนเหตุนั้นเมื่อตั้งทีามถามพระพุทธเจ้าว่าอ่อะไรจะเกิดก่อนนิพานายเกิดก่อนสัญญาหรืเกิดก่อนพระองค์บอกว่าสัญญาเกิดก่อนแล้วก็นิพานยานจะเกิดมาทีหลังต้องใช้สัญาก่อนครับสัญญากำหนดไหมนี่ก่อน หมายถึงคิว่าตั้งใจว่าอยากจะได้นีพานอยากจะไปเรื่อยหนีพานอาศัยความที่อยากจะได้อยากจะถึงอาศัยอาศัยความอยากจะได้อยากจะถึงนี่มันเป็นปัญหาันจะปัญหาอยากอยากปฏิภาณนี่เป็นปัญหานะครับอยากการอยากปฏิภาณนี่าือทมาฉันผ้าเป็นฉันผ้าไม่ใช่มันจะปัญหาปัญหาเป็นเรื่้าเป็นอะไรถึงเจอกติกฉันผ้าหน่ะม่ใช่อะไรถึงเจอกติกไม่ใช่ไม่ใช่ทันผ้าไม่ใช่อะไรถึงเจอกติกอันนี้เห็นได้ชัดเลยเป็นทำมาฉันผ้า การยากปัญหาเนี่ไม่เป็น่ไม่เป็นเหตเกทุกไอ้ันปัญหาความอยากอันใดเป็นปุ่มต่อให้เกทุกความอยากอันนี้เป็นปัญหาคนความอยากอันใไม่เป็นต่อ้เกุกงานความอยากอันนี้เป็นเพียงขันธัตยกปะเด็ครับ